สถบันพลังจิตตานุภาพร่วมกับมูลนิธิหลวงพอ่อวิริยังสุรินทโรเสนอการบรรยายหลักสูตรครูสมาธิโดยพระเทพเจติยาจารย์พระอาจารย์หลวงพอ่อวิริยังสุรินทโรตอนจุดเริ่มต้นเรื่องการกำหนดยังไงยังไงก็กล่องเกินและทังตีละวันนี้เพราะว่า จะต้องมาถึงอาชีพชะมานกายแล้วมาถึงอาทิตย์สมานกายนี้ก็เป็นเรื่องที่นักศึกษาทั้งหลายจะ ต, ต้องเข้าใจเพราะว่าอาชีพชะมานกายเป็นกายที่สามารถทําอะไรได้เยอะแล้วก็อยู่ที่ตัวของเราทุกคนแต่ว่าเราใช้มันไม่ได้มันอยู่ที่เรานี่ยแต่เราใช้มันไม่ได้ อันนี้ก็มาน้าเสือใจเป็นย่างยิ่งอย่างเวลาที่หลวงพ่อขึ้นอยอินทนนเมื่อไรเนะ่หลวงพ่อก็ต้อ่นไขแล้วไม่ไขก็ไม่ไหวแล้วเพราะว่าอายุตกงเกือบแปดสิแล้วอย่างนี้เพนัะนใ้นอาทิตย์ิะมนานใารจะเลยสู้นัศึุษาอายุยี่สิบกว่าวัย <c oughs> นี้เรื่องอาิตย์มันใารนั่น หลวงพ่อได้ไปเผลอมาด้วยตนเองเมื่อสมัยที่อยู่จังหวัดจันทบุรีในครั้งนั้นมีเด็กคนหนึ่งที่เรียกกันว่าไอวัดก็เล่ากันมันชื่อสวัดแล้วก็เป็นลูกคนร่ำคนรวยอยู่ในท้องถิ่นนั้นก็ไปบวชกับหลวงพ่อเมื่อไปบวชได้สามเดือนทีนี้ไอเดือนที่มันจะลาสุขขาคือมันจะเสพมันเลิกไม่ดี บอกนั้นบอกว่าเดือนนี้ครับแกเกิดจนะมันใช่กันไม่ได้มันก็บอกว่าผมอยู่ไม่ได้ผมจะต้องเกิดจเพราะว่าถึงเจงห้ามไม่ได้มีอยู่สองอย่างคือลูกจะออกพระ ก, ก็ติดห้ามไม่ไหว้หามไม่ไหวสุดสุดได้แต่แกรแต่ะกันเอาตามมีตามได้มันก็สิ้ไปพอสิ้ไปแล้วมันก็ไปทไําร่เขาเลือกไปอยู่ แ, ยแถวเขาสมิง มันก็ข้ามเกิดไปจังหวัดตราเมื่อเัินไปทําไร่มันก็ต้องการอยากจะหางเงินอยากจะแต่งานอะไรอะไรอย่างเงี้ยเงนินให้เยอะแต่ว่าที่เขาสมัยนี้มันมีแต่มาเรเรียนแค่นั้นในที่สุดงานจะไปเป็นแค่มาเลียตายทีนี้เมื่อตายแล้วเนี่ยงานก็เกิดไปรักผู้หญิงคนหนึ่งรักผู้หญิงไว้ว่าคนนี้จะต้องแต่งานกันแล้ว มันตายอยู่เขาเสมอก็มันก็วิญญาณนั่นก็กลับมาที่บ้านเมื่อ ว, วิญญาณกลับมาที่บ้านนันก็ไปเข้าอยู่กับผู้หญิงทึ่นี่ที่มันรักอ่ะมันเข้าไปอยู่ได้ยังไงไม่รู้ละ่ะที่อาชีพมันตายนี่พูดกันถึงอธิีพมันตายเมื่อเข้าไปแล้วนี่มันก็แสดงตัวเป็นผีพวกหมอผีทั้งหลายก็พากันไปเผากันเพื่อที่จะไล่ผีออกที่นี่ เงือกีอย่างไอ้วัดนี่มันเป็นผีแข็งเขาเรียกว่าผีแข็งไล่เทไล่มันก็ไม่ออกสามวันถ้าอย่างนั้นก็ไม่ได้กินข้าวนะสามวันนี่เมื่อเวลาผีเข้าแล้วมันก็ไม่กินข้าวสามวันแล้วอาการมันก็อ่อนเพือลงไปเออยอะทีนี้เขาก็ไม่รู้หรอกว่าผีนั่นเพลียไอ้วัดเ้าจะนอกว่าผีมันมาจากไหนเราจะทําที่ทีไล่กันในที่สุดก็ร้อนถึงหลวงพ่อบอกว่า หลวงพ่อไปช่วยไล่ผีให้หน่อยเอ้าจะไปไล่ที่ไหนจะไป ไ, ไล่เวลานี้ไม่รู้ผีอะไรไม่รู้ม่เข้าผู้หญิงเข้าไมาจีนมาสามวันแล้วก่อนนั้นก็ขับแล้วเอ้าวไปก็ไปหลวงพ่อก็ไปพอไปถึงเฮ้ยนี่มันไอ้วัด เ, เนี่ยทับเขายนีแล้วหลวงพ่อรู้ได้งไงกูไมไ่รู้ได้ยังไงคืมันเป็นลูกศิษยูนี่ ทีนี้ยังพ่จะทำไงกู้องมิงไฟอยากเอาผมไปเป็เด็ดขาดเลยเว่าเพะว่าผมรักรักแล้วมึงจะอยู่เขาได้ยังไงถ้ามึงอยู่ท่าไงจะทำอะไรได้อทําอะไรไม่ได้ผมก็จะอยู่เพราะแกจะอยู่แล้วแกจะไปแหละแล้วฉันจะจัดการเองอันนียกมือไหวใหญ่ ผมขออยู่ไม่ต้องขออยู่ล็อกทัวร์อันเ i ียวนี้ไปเดี๋ยวก็ใครเข้าท้องหมูท้องหมาเรายุ่งใหญ่นะคุเอาเงนไปนั่นก็ล็อกมือไหวนี่ไปเอาหม้มาคุณจะเอาให้วัดเข้าหม้อเลยนั่อ่าหลวงพ่อครับผมขออย่างไรอย่างไรก็ขอเอาอย่างไรเอาได้อยเอาผมเข้าหม้อก็แล้วกันเอาไม่เข <ım. S 2> ้าหม้อมรงตามครูมา หลวงพ่อจะทําำจนที่คือเผาพวกพวดสองสามทีได้ไม่ออกมาเดินตามภูมิไอ้ผู้หญิงนั่งกังหายเหมือนปกติกินข้าวกินปลาอิ่ม น, น้ำชำระหลวงพ่อเดินสัตวัดในวัดมึงจะมีกุติกุติมันจะมีเื่อเรียกว่าชานชานนั่นมีหลังคาเ ข, า, ขาเรียกว่าพระลายมึงอยู่ตรงนี้นะมึงอย่าไปไหนเพราะว่าพรุ่งนี้อาตาก็จะทําบุญ อจะทําบุญแล้วคุจะได้จัดการเงินไปตามในทางที่เหมาะสมอย่าไปไหนโดยเด็ดขาดนะที่อยู่ที่นี่หลวงพ่อก็เข้าไปในห้องจําวัดนั่นเข้าห้องทำอยู่ข้างนอกนีนยอมคนหนึ่งชื่อว่าโยมผานโยมผานนี่เคยจะเป็นคนที่ทํากับข้าวถวายพระทุกวันทุกวันน่ะจะเป็นคนทํากับข้าวอยู่ที่นั่นแล้วแกก็คุ้นเคยกันก็ไปวัดคป็นอย่างดี ทีนี้ไอ้วัดมันก็ถัดคําสั่งหลวงพ่อมันออกจากที่นั่นไปมันไปนั่งคุยกันกับโยมผาดยอมผาดกว่าเออนี่มันไอ้วัดไม่ว่าเพราะ่า น, นี่จะเดรเนี่ยเล่าป้าเป็นยังไงมันอยู่ที่วัดอ่ะปูก็ทำกับข้าวทุกวันเลยว่าแล้วมึงละ่ะฉันอยากมาคุยถึงป้าเลยมาเยี่ยมอ่ะแล้วก็ป้าม่คิดอง์อะไรก็คุยไป ออคุยไปพักหนึ่งยมถาดทิปไ ด, ด้เพราะนี่งีตายแล้วนี่ว <c oughs> ม่หวัดหายเลยอั่นขาใช้ก็วิ่งเข้าห้องเอาผ้าพมคลุมตัวใส่ง่านง่ายง่าแ ล, ๆๆๆๆๆๆๆแล้วทีนี้เขาบอกว่าพวกแม่นีาบอกว่าไม่รูืโยมถาาเป็นอะไรหนูวันนี้ไม่ทำกับข้าวเลย ถ้ามันเป็นไงมันอยู่ที่ไหนอ่ะนอนคุ้มฟองอยู่อ่ะหลวงพ่อก็เลยไปน้ำพัดเป็นไรทุกขึ้นมาอืมื้อนี่วัดมันมาซื้อด้วยโอ้โหกลัวเสียใจเด็กแล้วหลวงพ่อก็ไปกันธรรมดานเนี่ยไปก็8ปดโมงเราก็ฉันเราาพระไปก้าวคงไปสวดมนต์เรากะจะจทำบุญให้อวัด พอไปถึงแฝดมองแล้วมันอะไรกันเนี่ยบอกว่าไม่ยอมแฝดมองแล้วหิูแล้วทาไมยังไม่หูเข่าไม่หูไม่ได้ทั้งนั้นไมงไม่ได้เพราะว่าพวกแม่ครัวเขาออกไปหูแลไป เ, เห็นไอ้วัดมันยืนอยู่ที่นั่นไอ้วัดมัมาเมื่อค้นนี่เอ้ามาเนี่ผ่านเน่สว่างแล้วยังไม่ลุกเลยบอกแล้วบอกว่าอย่าให้นั่นไปแต่มันก็ขัดคาสั่งในที่สุด หลวงพ่อก็เลยเอานั่นมาถามให้ย hey, ไอ้วัดรลอยให้นั้นกลับคืนไปหาผู้หญิงอีกครั้งหนึ่งเพื่อที่จะถามมันแล้วหลวงพ่อก็ถามว่าให้วัดขัดถึงคําสั่งทำไมมันบอกว่าอยู่ไม่ได้อยากจะไปเอาบุญแล้วๆทีนี้เขาก็เลยกลัวผมสักเขาก็กลัวสิมึงตายแล้วเนี่ว่าแล้วก็อีกการคือเขายังไม่เอามึงไปเผาอ่ะแล้วทำไมมึงไม่เข้าไปในร่างกายเขาเนี่ย ผมก็ไม่ร so, uh, like so, uh, ู้ผมก็ไปยืนดูลางชาของผมอยู่เวลาเข้าเผามึงทำยังไงเวลาเข้าเผาผมก็ไปยืนดูอยู่อ้าแล้วมันดินยยังไงเห็นเขาเผาผมอยู่อ่ะนี่คือคนตายจริงๆเพราะว่าในทางการทุเรเนี่ยเขาจะเอาไว้กันแค่สามวันเจ็ดวันเปอั คนที่ตายลงไปแล้วเนี่ยกว่าจะรู้สึกว่าตัวเองตายเนี่ยมันต้องผ่าน 10, เกิดพานเธอ่วนเอาละทีนี้เมื่อเล่ามาถึงตรงนี้แล้วก็จะได้อธิบายถึงว่ากําหนดคําว่ากําหนดคือในที่นี้เนี่ยที่เขียนเอาไว้เยอะเรียกว่าการกําหนดเนี่ยคิดว่าต้องเอาไปอ่านเพลิเพราะ เ, เขียนเป็นคาอธิบายก็คงจะเข้าใจบ้างไม่เข้าใจบ้าง แปลว่าจะอ่านชื่อองนี้ให้ฟังเพื่อที่จะ เ, เป็นคู่มือสาหรับที่จะเอามาอธิบายอันนี้อีกทีหนึ่งนะกําหนดเวลาเวลาจิตสงบถูกกาหนดว่าจิตรวมเวลาเริ่มต้นบริกรรมถูกกําหนดว่าเริ่มต้นเวลาถามถึงผู้รู้ถูกกําหนดว่าเป็นแนวทางสู่จุดพลังอํานาจเมื่อถูกสัมผัสได้ในภายนอก ถูกกาหนดว่ากายหยาบเมื่อรู้รับรู้แบบจิตสัมผัสได้เป็นภายในถูกกําหนดว่วากายทึบเวลาจิตก่อตัวเป็นสมาธิด้วยความรู้สึกสบายถือว่าเป็นการก่อตัวของสมาธิจิต ก, กาหนดให้ตนของผู้นั้นได้สัมผัสเองอันนี้ถูกกําหนดว่าจิตรวมถ้าการกําหนดนี่ ถ้าจะพูดไปมันก็มีหลายอย่างอย่างเรากำหนดว่าเราจะเรียนส0 0รอยชั่วโมงหรือเรากำหนดว่าเราจะมาในเวลาหกโมงหรือกำหนดว่าจะต้องเขียนหนังสือเท่านั้นบรรทัดอันนี้เขเรียวกว่าการกำหนดอันนั้นเราไม่พูดถึงเราพูดถึงการกำหนดสามประการเพื่อในจิตสงบหมายความว่ามันเกิดความสบายเกิดความ เกิดเรื่เอกเกิดอะไรอะไรขึ้นในเวลาทําสมาธิเนี่ยเรากําหนดว่านั่นคือจิตรวมเราจะกําหนดให้ตัวลงไปว่านั่นคือจิตรวมเวลาเริ่มต้นบริกรรมเราบริกรรมพุทโธพุทโธเนี่ยเราจะต้องกําหนดว่านี่คือการเริ่มต้นถูกกําหนดว่าเป็นเวลาที่เริ่มต้นของสมาธิด้านนี้ข้อที่สามเวลาถามถึงผู้รู้ถูกกําหนดว่า เป็นแนวทางสู่จุดพลังอํานาจเราจะต้อง เ, อเราพยายามทราบถึงสามสามข้อหลักเพื่อให้เป็นการกําหนดว่าเราจะดําเนินจิตอย่างไรต่อไปเพราะว่าในขั้นนี้ยังอยู่ในขั้นเริ่มต้นให้ทราบถึงการกําหนดสามประการคือหนึ่งเวลาจิตสงบถูกกาหนดว่าจุดรวมเราสบายแลอเราไรเนี่ยเราจะพูดกันได้ว่าอ๋อจุดรวมไหม จุดรวมอันนี้ถูกําหนดลงไปเป็นการตายตัวและเวลาเริ่มต้นการเริ่มต้นของการบริกรรมการเริ่มต้นของการบริกรรมนั่นหรือว่าเป็นการเริ่มสมาธิเรียกว่าเริ่มต้นนับแต่วินาทีของการบริกรรมนั่นคือสมาธิเรากําหนดว่านั่นคือสมาธิได้เริ่มแล้วที่จะ พลังจิ้จะเริ่มก่อตัวขึ้นตามลำดับข้นที่สามเวลาเราก่อนจะเริ่มทาสมาธิันดับต่อไปนั้นเราต้องถามตัวของเราเองว่าใครคือผู้รู้อันนี้ต้องถามได้อธิบายไว้หลายครั้งหลายคราวแล้วว่าการเวลาที่เราถามว่าใครเป็นผู้รู้นั้นและเมื่อถามแล้วเราไม่ต้องไปอะไรอววร หรือว่าไม่ต้องการอยากจะไปหาตัวผู้รู้ให้เจอหรือว่าเราอยากจะได้อะไรพอเราถามเสร็จแล้วเราทึ้งไปเพราะว่าการถามนั้นจะไปฝังอยู่ที่ใจมั้นกับล้องถ่ายรูปถูกอัดรูปเข้าไปแล้วทีนี้ที่เราต้องการนั้นคือต้องการให้คําถามเชื่อว่าใครคือผู้รู้ใครเป็นผู้รู้นั้นต้องการให้ไปฝังอยู่ในใจของเรานับเป็นร้อยๆครั้ง เพื่อที่จะเป็นแนวทางสู่จุดพลังอํานาจถึงที่เราต้องการทื่เราทําสมาธิอยู่ในเวลานี้เราต้องการจุดที่สําคัญรอเราอยู่นั่นคือจุดพลังอํานาจว่าทําอย่างไรเราถึงจะถึงจุดพลังอํานาจนี้ได้ด้วยเหตุหนึ่งเราพูดว่าจงกําหนดจุดไว้ให้ดีมีสมัยความว่าจุดได้ตั้งลงแล้วเพียงบอกว่ากําหนดจุดของคนทุกคนก็ทําได้ เช่นบอกเด็กว่าแต่จงถือชามข้าวอย่าให้หกแต่กก็ตั้งใจระวังสามารถถือชามข้าวไปได้ไม่หกตามคาสั่งแต่เช่นเดียวกับเมื่อเรากําหนดจุดอย่าให้คล้เคลยเรากําหนดบริกรรมพุโทโธพุธโทโธเราก็ทําได้ถือว่าเราได้กําหนดจุดแต่ถ้าบอกว่าจงกําหนดจุดให้ตั้งอยู่ณนะที่ใดที่หนึ่งเรากําหนดไม่ได้ถือว่าล้มเหลว ถ้าหาว่าเราสามารถกำหนดจิตได้จิตก็สงบละรวมลงนี่แหละคือมูลเหตุของการกำหนดเมื่อเป็นเช่นนี้ต้องกำหนดต่อไปเหมือนกับเด็กถือธามข้ากำหนดหนทางและที่หมายเด็กก็ไปได้สําเร็จถือว่ากําหนดให้ทําได้เมื่อเรานึกพุทโธพุทโธขนาดนั้นถือว่าเราได้กําหนดจิตแล้วการกําหนดจิตเราจําได้ต่อภไยภายหน้าในวันต่อไป เราก็กําหนดเช่นเคยทำทาการกําหนดคือเชิงจริงของการทำก็จะกลายเป็นกฎเกณฑให้แต่ตัวของเราต่อไฟจนกว่าจะสําเร็จขั้นตอนด้วยเหตุดันกล่าวการกําหนดหลักของสมาชิที่มีเฉพาพตัวของแต่และบุคคลจึงเกิดขึ้นซึ่งเป็นความละเอียดที่เจาะลึกของครูสมาชิกที่เราจะต้องพบเองแล้วก็นํามาเป็นแนวทางหา้วยถูกกาหนดว่า แทนจงเขียนหนังสือด้วยข้อความสิบบรรทัดเขาก็ทําได้ตามกําหนดถือว่าสอบผ่านดังนี้เป็นตน้นแม้ถูกกําหนดว่าให้บริกรรจนจุดรวมเขาก็บริการจนจุดนั้นจุดรวมหมายถึงเขาได้ทําตามกําหนดของอาจารย์เขาผู้นั้นก็พบความสําเร็จด้วยเหตุแห่งกดเกณฑเป็นตน้นอันนี้เป็นเรื่องทีนี้มาพูดถึงว่า เมื่อเราได้เหตุผลของการกําหนดแล้วเช่นอย่างคือเราได้ทําจิตของเราให้สงบหรือว่าทําจิตของเราให้รวมแล้วก็รวมลงไปเราก็จะรู้ตัวว่าการที่ได้กระทํานั้นได้ก่อชนวนขึ้นแล้วเพราะว่าการก่อชนวนขึ้นของสมาธินั้นมันมีต้นเหตุหรือว่ามีการก่อกําเนิดเรียกว่า การก่อตัวเพราะว่าการก่อตัวเนี่ยบางคนอาจจะทำมานานแล้วบางคนอาจจะยังไม่เคยทำเพราะฉะนั้นการก่อตัวของสมาธิเนี่ยเขาถึงให้มีกำหนดกดเกณว่าการก่อตัวมาในระยะนี้คืออะไรเมื่อเป็นเช่นนั้นในการกำหนดนี้จึงได้กำหนดสมาธิไว้สามขั้นด้วยกันคือทนิกาสมาธิ อุปจาระสมาธิและอัปปนาสมาธิทันิสสมาธิเมื่อคนที่ทำลงไปแล้วเนี่ยมันจะมีการเรียกว่าจิตรวมที่เรากำหนดไว้ว่าจิตรวมเนี่ยมันจะจิตรวมอยู่ทั่วขณะนิกหนึ่งอย่างนี้เ้าเรียกว่าทณิสาสมาธิต่อไปนั้นนะจิตรวมจิตรวมมันเดียวนี่มันขยายตัวออกไปนจนกระทั่ง รวมอยู่ตั้งนานตั้งชั่วมองก็ได้อย่างเนี้ยอันนี้มันจะกลายเป็นอุปจาระสมาธิทีนี้อย่างคนเพิ่มทาจุดสมาธิได้พลังจิตเยอะแล้วก็มีมากด้วยเข้าไปเพื่อแล้วเกิดไม่รู้สุดตัวแล้วทีนี้เอออยู่ตั้งเจ็ดวันก็ได้อยู่ตั้งหลายวันก็ได้ไอะอย่างนั้นจะเรียกว่าอัปนาสมาธิสมาธิเหล่านี้เขาถูกกําหนดกดเกณฑเอาไว้ แต่ว่าเวลาที่เรามาทํากันในที่นี้เนี่ยเราจะได้หรือเราจะไม่ได้พไม่มีปัญหาอะไรเรารู้ไว้ว่าคณรมิกะคืออะไรอุปจายะคืออะไรเมื่อเรารู้แล้วเนี่ยเราก็จําไว้ให้ดีว่าถ้าใครทําอย่างนี้เรียกก่อสมาที่ขีดเทียบแม้ว่าฟ้าร้องก็ได้ยินแล้วก็คนจามก็ได้ยินคนขยับตัวก็ได้ยิน อย่างนี้เขาเรียกว่าคานิสะสมาธิพอไปถึงอุปจาระสมาธิเนี่ยได้ยินเหนั่นกันแต่ว่ามันไม่กระทบมาถึงใจถึงมันจะได้ยินก็ได้ยินแต่ว่าได้ยินน้อยๆเช่นอย่างฟ้าดังตุ่มต่ำถจะได้ยินมันตุ้มต่ำอย่อย่างนี้เขาเรียกวอุปจาระถึงมันจะดังตุ่มประมาเนี่ยมันถึงมันมันอยู่ข้างนอกมันไม่ไปกระทบใจ แต่ถ้าเป็นธนิกฐ์จมาช่นตุ่มอะไรก็ถึงใจเมานั้นอันนี้เขาเรียกว่าธนิกฐแต่ถ้าหากว่ามันตุ่มขึ้นมาเนี่ยมันอยู่แค่นี้นันมันไม่ถึงมาแค่เนี้แล้วมันก็หายไปอันนั้นเขาเรียกว่าอุปจาระทีนี้พอมันตุ่มขึ้นมาเหมือนเมื่อวานเนี่ยไม่ได้ยินเลยอันนั้นคืออัปปนาอันนั้นเรียกว่าหูดับคนถึงอัปปนาแล้วหูดับบงังบางคนมันเข้าเลือดไปหยุดก็ไม่เจ็บไม่รู้สึก อย่างนี้เ้าเรียกว่าอัปปนา น, นั้นถูกกาหนดทั้งสามหลังนี่เขาเรียกว่ากําหนดเป็นคณิสสะกําหนดเป็นปุจจาระและกําหนดเป็นอัปปนาทีนี้อย่างที่เมื่อวานนี่ถ้ามันร้องกระตุ้นกระตัําทั้งไอทั้งร้องทั้งอะไรเนี่ยทุกคนคิดว่าการทําสมาธิอย่างนี้วันนี้คงไม่ได้เรื่องอะไรแล้วอ า, อาจจะคิดอย่างนั้นแค่เชิงเมื่อวานเนี่ย ได้มากกว่าทุกวันก็อะไรเพราะว่าเมื่อวานนี้คือการทดลองเราทำมานานๆแล้วเนี่ยอย่างที่ว่า เ, เราเเทำอะไรมาสักอย่างหนึ่งสาเร็จเนี่ยเราก็อยากอยากจะลองเือ น, น, นกับอเมริกามันลองสรวจอะไรของมันเนี่ยทำใจแล้วก็ต้องลองถ้าไม่ลองก็ไม่รู้ะฉะนั้ น, น, นเมื่อวานนี้ก็ถูกลองแล้วใครเป็นยังไงก็รู้ว่า ตุ่มมาลอะมมไรถึงใจเมื่อนั้นถ้าตุ่มอะไรถึงใจเมื่อนั้นเราจะอยู่ทมไฉนิกะแนะใครจะคิอว่าใครเฉล่ยแค่ไหนว่าําเปอน <c oughs> แต่ว่าตุ่มมาลไยถึงใจเมื่อนั้นหลวงพ่อสมือนการตุ่ ม, มาลไยถึงใจเมื่อนั้น <c oughs> แต่ว่าถ้าหากว่าจะทํำสักนิดหนึงว่าไม่ให้มันถึงใจเราก็กําหนดเข้าไปอีกหน่อยหนึ่ง ม, มันมัรีระยะของมันอางคนํานานแล้วนะ ตุ้มอะไรถึงใจแต่ว่าตุ่มหลังนี่ไม่ถึงใจเพราะว่าตั้งตัวได้แล้ว แ, แสดงว่าเราถึงแล้วในที่นี้เราก็รู้ไม่ได้รูกสิษย์จะถึองตัวอาจารย์จะยมม่อมมีงั้นตุ่มอะไรคงไม่ถึงใจก็คงมีตั้งเยอะของเมี่ยเพราะว่าอย่างหลวงพ่ อ, อ, ย, อ, พอยังไม่ถือว่าหลวงพ่อเรื่องนี่ยจะต้องดีกว่าลูกศิษย์ทั้งหมด เพราะว่าลูกศิษย์ดีกว่าอาจารย์ถือว่าโลกจเจริญหากว่าลูกศิษย์ ด, ด้อยกว่าอาจารย์โลกมันก็ถอยหลังงั้นก็ว่าลูกจะต้องดีกว่าพ่อแม่โลกมันจะเจริญเพราะฉะนั้นเมื่อพวกเรานักศึกษาทั้งหลายจะัดสลจจะเป็นครูเมื่อไปสอนคนอื่นเราก็ต้องพูดบอกว่าลูกศิษย์ เนืจะต้องดีกว่าอาจารย์เพื่อจะได้แก้ตัวเราเองนะอย่างเชื่อการทำสมาธิเนื้อพยายามเชื่อหลวงพ่อได้เล่าให้ฟังแล้วว่าผู้ใหญ่บ้านเพนยมแท้ๆร ะ, ะ, ะไเรียนอมาจากพระพุทธเจ้าสําเร็จแต่ว่าเรียนสาเร็จเฉยแต่ตัวเองไม่ได้สําเร็จมาบอกผู้ใหญ่บ้านผู้หญิงคนที่เป็นผู้ใหญ่บ้านเขาก็ได้สําเร็จ อันนี้ก็่ะผมบอกเป็นตัวอย่างอยู่แล้วว่าคนที่สามารถที่จะพัฒนาตัวเองเนี่ยย่อมมีอย่างที่มานั่งอยู่ที่มื่หลายร้อยคนเนี่ยมันก็จะต้องมีช่ามเถือ่อนในสางการเข้าตัสิวตัวอะไรเนี่ยเดินขึ้นมาเราจะรู้ได้อย่างไรถ้าเป็นเชนั้นขึ้นมาเขาจะยกขึ้นว่นาถึงแล้วทุนทุนทีนี้ อ, อธิบายใครอธิบายม า, มาก็ลืม เพราะว่าไปเล่าถึงเรื่อ ง, อ, งอีวัตรเพลินไปก็เมื่คืนมาพูดถึงอาทิตสมานายอาทิตสมานายเนี่ย อ, อต้องรู้ว่าเวลาเนี่ยเราได้สมัมผัสอาทิตยสมานใจทุกวันแต่ทําไมเราจะไม่สามารถจิตกำลังคับอาทิตสมนานใจได้หรือพัฒนาอาทิตสมนานใจได้เวลาที่เรานอนหลับหลับเมื่อไหร่เราก็ไปอยู่อาทิตย์สมนานใจมานั้นหน้าที่ของใจ ไปอยู่ที่อวัยวะสมผัใจแล้วนี้แต่เมื่อตื่นขึ้นมาใจก็กลับคืนมาอยู่ที่ใจหยาบหมดหน้าที่ชื่อจะไปอยู่กับอวัยวะสมผัใจเมื่อเวลาที่เราเดินผ่านทีนี้มันมีข้อสามข้อที่ไกจต้นไว้คือว่าข้อที่หนึ่งนั่นคือจิตรวมถูกกําหนดว่าจิตรวมบริกรรมพุทโธถูกกําหนดว่าเป็นเรื่องต้นถามว่าใครคือผู้รู้นี่คือ ข้อที่สาม้อที่สามเนี่ยถูกกําหนดว่าเป็นแนวทางเดินไปสู่จุดพลังอํานาจตรงนี้เป็นตรงที่สําคัญและจุดพลังอํานาจนั้นอยู่ที่ไหนก็คืออยู่ที่ตัวของเราเนี่ยแต่มันอยู่ก่้มขึงระหว่างกายหยาบกับใายละเอียดและเรียกว่าจุดพลังอํานาจเพราะฉะนั้นทุกวันเนี่ยเราจะเดินผ่านจุดพลังอํานาจไปนอกจากผ่านจุดพลังอํานาจแล้วเราก็ไปอยู่ในใายอาทิตยมันกา เรากลับออกมาจากทธิสมานใจเราก็มาผ่านจุดพลังอานาจแล้วเราจะมาเป็นตัวของของเราอยู่อย่างนี้เรามีความสามารถยกของหนักได้แค่ยี่ 24, 25, สิบสี่สิบห้าสิบกิโลก็ยกได้แค่นี้แต่ถ้าหากว่าจุดนี้มันสามารถติะไปตั้งอยู่หมายความว่าตั้งอยู่ที่จุดพลังอานาจเนี่ยแทนที่เราจะยกได้ห้าสิบกิโล เรายกได้สองร้อยกิโลสองร้อยกิโลก็ยกได้อันนี้คือจิตพลังอํานาจที่มีอยู่ในตัวมนุษย์แต่ว่ามนุษย์นั้นไม่สามารถถูกนำมาตั้งอยู่ที่ตรงจิตพลังอํานาจนี้ได้แต่เหนือกว่าคนอื่นได้ทีนี้เราทําสำกิี่รรมเราทําไปมากเข้ามากเข้าเนี่ยพลังจิตนี่มันจะมากขึ้นเมื่อพลังจิตนี่มากขึ้นแล้วเนี่ยสามารถถูกจะเคลียเออ ใจอยากเนี่ยได้ด้วยสมาธิอย่างเช่นเสียงเคาะว่านี่ยแหละแต่อย่างฟ้าลองทุ้มกร้มตุ้ม ต, ตั้ม ต, ตุ้มกร้มมาเนี่ยเราตุ่มอะไรก็ถึงใจเหมือนั่นตุ่มอะไรก็ถึงใจเหมือนนั่นอันนี้เรียกตรวจเครียยังไม่ยังไม่เรียบร้อยเพราะฉะนั้นถ้าหากว่าเครียเรียบร้อยแล้วถึงตุ้มต่ําเข้ามาเนี่ยมันก็ไม่ไม่เข้ามาถึงใจ เราก็สามารถเสลือร่างกายอยากนี้ให้หมดความรู้สึกจิตมันก็ชวนจะเข้ารวังเมื่อชวนเข้ารวังมันจุดมันก็เข้าไปสู่จิตพลังอํานาจเมื่อจเด้าไปสู่จิตพลังอํานาจทีนี้ความสัมผัสระหว่างอาทิตย์สมานใจสัมผัสกันได้แลยทีนี้เมื่อสัมผัสกันได้ทํานานเข้าสามารถจิตให้อาธิษฐานใจนี้ทํางานได้เมื่อถึงเวลานั้น ก็ถึงเวลาที่จะทำฤทธิ์ได้เหมือนอย่างคือั้งโมกขันลารมอย่างเนี้ยหรือว่าใครที่ทําอย่างนี้ก็ถือว่าสามารถที่จะทําให้เกิดฤทธิ์เดชมาได้ถ้าจิตเข้าถึงจิตพลังอํานาจเพราะฉะนั้นในกรณีที่ผู้เรียนจบแล้วเขาจะมาเรียนมาที่ทั้นสุนทรอไปนี่หลวงพ่อเขาเริ่มถือจะให้เขาหาจิดพลังอํานาจแล้วทิ้งยังไงก็ตามทุกคนเนี่ย หลวงพ่อคิดว่าสามารถที่จะถึงจดตพลังอำนาจได้แต่ถึงแต่จะถึงไม่ได้ก็รู้กันตอนสินร้อยอินทนนทอ่าเอาเท่านี้เกล็จแรกนี้คงไม่จบแค่นี้แรกจะได้อธิบายต่อไปเข้มไปเรื่อยๆอนี้ก็ระยเวลาาหน่อยเดียวเป็นการเถามปัญหาในระยะนี้ก็ขอ เคลมถามปัญหาตามอัธยาศัยกันแล้วกันงอกเคื่องอกเลาไปหน่อยหลวงพ่อสมม่ว่าอะไราเริ่มด้วยโคุณพวัดไทยแผนวารีรักครับอยากให้ถามว่าการกาหนดยังไงคืพูด้นะครับเอ่อกำหนด่หเวลานั่งสมาธิหรือว่าเดินจงกรด้วยครับเ่าเพ้าะนั่งสมาธิขุณครับ เพื่อให้คำถามเนืบสใงเกตไ้เยอะๆนะต่อไปขอเชิญคุณสวัสดิ์ใจมากขึ้นจากนายสถานเข้าไปครับเมื่อนวนกันที่แล้วอาจารย์ข้าราชกอธิบายเกี่ยวกับเรื่องที่บาทสี่รับแล้วข้าราชการก็อธิบายอย่า้สูงมากมาแต่ทีนี้ตอนตอนที่จะจบแล้วข้าราชการคุณชายไว้วอธิบายสีแล้วที่สามารถต่อยุคคนอื่นได้ นน เ, นน เ, เรัขอตามอ่าาจารย์ที่านมาเยทงอครับออย่างนี้ว่าเออคนเรานี่ร่างกายจะแตกสลายก็เพราะว่าธาตุทั้งสี่ไม่สามัรถีกันหรือว่าโลกไทยไทยเยิเข้ามาเบียดเ บ, บียนธ า, า, าตุใดธาตุอิธิบายสี่นี่เพราะเมื่อทำให้คงที่คงวาคือหมายความอย่างที่อลวงพ่อธิบายว่า ขันธ์พระอเรามีแล้ววิริยะเรามีแล้วจิตะเรามีแล้วที่มังสาเรามีแล้ววิจเตเป็นเราทีนี้ถ้าหากว่าทั้งสีประการ น, นี้ยึดอยู่กับตัวแล้วสมาธินี่มันจะมีการพัฒนาขึ้นไปมากขึ้นเมื่อมากขึ้นแล้วเนี่มันจะสามารถชะลอความแก่ได้เพราะอะไรเพราะว่าอย่างสมองเนี่ยแทนที่จะใช้ไปเยอะแต่มันจะมีเวลาพักอย่างนี้เป็นต้น อันนี้ก็อธิบายตามคำเพียที่ท่านแสดงไว้ว่าผู้ที่สำดร็จิู้ทีบาสีจริงๆแล้วเนี่ยสามารถมีอายุยืนได้แต่ว่าในกรณีที่เราทุกคนต้องการที่จะขยายเช่นอย่างไม่ต้องเอาถึงสามสี่ร้อยปีเอ า, เาแค่เมื่อเราอายุเจดสิบนี่ร้อยู่ที่สิบให้มันเป็นเก้าสิบก็ ย, ยังดี แต่อาจจะไม่คิดเป็นได้ถ้าหากว่าบุคคลคนนั้นได้มีจิตวิบากที่โอคงมีจิตวิบากตรงนี้ต่อไปขอเชิญคุณพันยานิชเอตุวรรณคุณการทําสมาธิ่คะจะต้องหลับตาทุกครั้งไหมคะอ่าเินทางสมาธิก็ยส่วนไม่ต้องหลับตาทุกครั้งลืมตาถ้าหากว่าบางคนเนี่ย ให้การลืมตาเป็นสมาธิจะยอมได้แต่ว่าถึงยังไงก็ตามถ้หลักตาไม่ได้เพราะว่าถ้าลืมตาแล้วก็ไปเห็นอะไรแต่อะไรมันถ้าหลับตาแล้วก็เสื่อมมันก็หายหมดเพราะฉะนั้นก็สมควรที่จะหลักตาทุกครั้งแต่ว่าเวลาเดินจงกรมเราทําสมาธิเหมือนกันแต่เราไม่หลับตาเดินยังครหลักตาไม่ได้อาารยาคไม่ทราบว่า เอย่างตัวกําหนดจุดจุดที่เรากําหนดบริกรรมนะคะกับตัวตัวรู้นี่จะต้องเป็นที่จุดจุดเดียวกันหรือไม่กันตัวรู้นี่เนี่ะมันจะเป็นถึงเชื่อถึงมาเองแต่ถ้าเราให้ถามผู้รู้นี่เนี่ยพอถามแล้วเราก็ทึ้งอย่าเราจะไปกังวลคิด <จน S 2> <ต>ว่าเราถามที่ตรงใจอะไรอย่นี้ค่ะเราจะต้องบอกว่าหรือว่าเราถามโดยทั่วทั่วไปหรือว่าเราพูดขึ้นมาลอยลอยให เราไม่ต้องมีเสียงเราเนคในใจว่าใครคือผู้รู้อันนี้ที่พี่ให้ทาอย่างนี้ต้องการให้ทาพูดคำเนี้ยมันมันจะไปเจ็บไว้ที่ใจอ่เหมือนกับกล้องถ่ายรูปมันจะแคดเย็นก็เจ็บแล้วเวลาไม่จําเป็นต้องถามต่อไปแล้วก็ไม่จําเป็นต้องคิดว่าเราจะต้องถึงผู้รู้อะไรอย่างนี้เป็นต้นไม่ต้องต้องวนอนพูด้นั้น ทีร่ระศรีนุกาลัยอิศกิปันโนท่านเิดนรัตาการท่นานจ้คุณพระอาจารย์คู่ประเสริฐนีปิตญาน้อยหากปัญหาที่กราบเยียมถามไม่สมควรประการใดขอได้โปรดไภัยให้ด้วยผมได้เห็นรูปการจัดโครงกรแผนภูมิของภูิทิศราชธรรมเจติยาจารย์ทางห้องเรียนแล้วรู้สึก เข้าใจในการบริหารงานอย่างดีการปฏิบัติขั้นตอนต่างๆทำให้เป็นที่เข้าใจงานไม่สับสนก็ผมได้อ่านหนังสือคุณค่าของชีวิตและหลักสูตรครูสมาธิจบแล้วตั้งสองเล่มและลองแปลการปฏิบัติสมาธิจากหนังสือเป็นแผนภูมิตามที่กระผมเข้าใจอยากจะเสนอให้ท่านเจ้าคุณราจารย์ได้สวดทานว่า เป็นไปตามแนวทางในหนงงังสือของพระเดชพระคุณทงจงกเล่นหลวงพ่อแผนภูมิที่แสดงนั้นก็ผมแบ่งเป็นสองส่วนคือส่วนโลกิยะและส่วนโลกุตตระก็เริ่มต้นตั้งแต่สมาธิแล้วก็มีจิต ด, ด้านขวามือนั้นก็คือจุก ด, ดำในหนังสือคือกิเลสด้านซ้ายมือก็คือสติคอยคำสั่ ง, งข้างซ้ายและขวาเนี่ยกระทบจิตเราเ ม, มื่มอจิตมันโดนกระทบด้วยกิเลสและว สิ่งเหล่านี้มันทำให้เลยจิตให้เป็นเอกภาพเพราะฉะนั้นการที่จะทำให้จิตมีพลังแล้วก็ไปสะสมในเขื่อนได้เนี่ยก็เลยทำได้ช้าที่ในหนังสือของท่านอาจารย์วัฏฐานปิตาจอกว่าเพราะฉะนั้นเพื่อจะไปสู่มหาสมาธิไปถึงไดยานไปถึงท่านวิปัสสนาเพื่อจะสู่แดนโลกุตละเป็นพระอริยบุคคล น, นั้นจึงค่อนข้างจากแสนชาก็าเลยอยากจะ เรียนท่านพระ อ, อาจารย์ว่าแผนภูมิเหล่านี้มีอะไรที่บกพร่องและควรจะแก้ไขอย่างไรเพื่อ <c oughs> ที่จะให้ยู่แล้วก็ได้รู้วัตถุประสงค์ว่าที่พระ อ, อาจารย์สอนนี้ ส, สุดท้ายเราจะได้รับผลอะไรครับผมเออสผนภูมินั่นอยู่ที่มีแล้วผมพอสอนละเรียบรอยแล้วเออผมมีแผนอี่อนจะมาแชร์ด้วยก็เพราะว่า <c oughs> แผนนี้สุดยอดแล้วแต่ทีนี้ในการที่หลวงพ่อสอนสมาธิในทางนี้เุดมุ่งหมายสาหรับวิปัฒนานั้นถือว่าเป็นส่วนที่เราจะต้องสอนเหมือนกันแต่เน้นหนักไปในทางพื้นฐานเพื่อให้สมาธินี้มีประโยชน์ต่อสังคมเพราะว่าวิปัสนานั้นก็คงจะมีจานวนน้อยมาก ถ้าหากว่าจะนับเปเ็นของมนุษย์แต่ว่าเมื่อใครไปถึงได้ก็ถือว่าแท่นสุดยอดแต่ว่าคำสังสอนของพระพุทธเจ้าต้องการที่จะให้ประชาชนนี้มีความสุขเพราะฉะนั้นหลวงพ่อโกเลทำการสอนในการพื้นฐานนี้เป็นเสียนใจญ่อย่างไรก็ตามผังก็ได้ทำไว้ะเรียร้อยแล้วพราให้นักศึกษารอ เขาไม่เรียกว่ า, านักศึกษาชุดรุ่นสามนี่เร็วไปหน่อยเพราะอะไรเพราะว่าหลวงพ่อยังไม่ได้สอนถึงนี่เลยยังเพียงจุดเริ่มต้นแต่ว่ารู้จิตไปถึงหบดกิเลสก็แล้วหลวงพ่อกลัวว่าส <c oughs> ะเป็นปนิพนาตกน้ําก็เลยเะได้ทำถังอันนี้ไว้เพื่อที่จะได้เป็นการเรียนสติน่ะละท่านที้ร ต่อไปขอเชิญคุณนภรัตปัญญาตะคุณวงศ์ถามพระารพระอาจารย์นะคะเราจะถามพรถอาจารย์วา่าอาทิตย์มันกายต่างวิญญาณยังไงคะเอาทิตย์มานกายนั้นวิญญาณก็จะต้องอาศัยอาิตย์มันกายตัวาะที่มันก า, ายนี้เราจะเป็นผู้เราจะเป็นเนื้ ถ้าจะว่าเป็นรูปธรรมเรามองไม่เห็นแต่ว่าเป็นรูปธรรมละเอียดที่สุดแล้วก็สําหรับวิญญาณก็คือไม่ว่าวิญญาณใช่ไหมวิญญาณกับอาทิตย์สมันใจคือวิญญาณเนี่ยจะเป็นตัวรู้แต่ว่าเมื่อรู้แล้วนี่เพื่จะต้องไปรู้ก็มีที่อยู่ที่อยู่นั้นคืออาทิตย์สมันใจคุณค่ะ เวลาที่เรานอนหลับไปนิงกินมีรู้ยู่แต่ทีนี้ะราอยากเจอธิอสมันใจก็เป็นผู้ที่ควบคุมไว้ต่อไปขอเชิญคุณณะทีมวนไทยวิศพินคุณจอยถามว่าเวลาเดินจงกรมเมื่อเดินจงกรมติตั้งจิตไว้ที่หน้าผาแต่เมื่อปฏิบัติแล้วมีความรู้สึกว่าจิตจะมีที่ตาที่เท้าค่ะเห็นไ้าว จิตมันไปที่ไหนกันแน่อ่าอยู่สี่กายหรือที่เท้านั่นไม่ใช่ความจึงจะอยู่ที่กภาความจริงจะเจิมไปาสหรเท้านั่นเป็นกิริยาอันการ่ของจิตที่จริงเราที่ตั้งมันอยู่ที่เราตั้งไว้ที่นภาก็ต้องอยู่ที่นั่นกอนมีความรู้สึกว่าเหมือนจะเล่อยู่ท่าตรงบ้างอยู่แทนินบ้างหรือว่าอยู่ที่อื่นบ้างอันนั้นคือสิริยาอันหนึ่งของจิต ไม่เป็นไรอ่ะ น, นานนาไปก็ปริยาเหล่านี้ก็เหมือนแสงไฟนานนานไปก็หายไปเองคือเวลา เ, เวลาที่เราจะรู้สึกเพียงความรู้สึกเท่นั้นนะมันอาจจะไปอยู่สมมุติว่าแต่ว่าถ้าเราตั้งไว้ที่หนา้าผาของโลอยู่ที่นั่นเองประเด็นถ า, ามอีกข้อนึงค่ะเกี่ยวกับคําที่ว่ากษาที่ผู้ยิงห่างจากคําให้ที่ว่ า, ท, าที่รก เห็นหนอหรือว่าได้ยินหนออะไรต่างเนยังไง้อ่เกิดความวาที่ว่าใจผู้ศึกษามันมีความลึกซึ้งกว่าเพราะว่าตัวผู้รู้ที่จะต้องถึงในจุดชวงอานาจนี้และก็เป็นผู้รู้เท่านั้นแต่ก็มีการแตกต่างอย่างำคำที่ว่าเห็นหนอกด้าหนอพูดหนอมันก็มี แต่ว่าโดยโดยจุดูหมายของการที่ว่าฝนหนอก็ดีหรือว่าอย่างหนอก็ดีโดยจุดหมายนั้นเขาต้องการสติไม่ให้มันหลงมันลืมเพราะฉะนั้นเขาจะพูดไล่ทาเช่นอย่างข้าร้อยเก้าก็ร้อยหนอหรือว่าเวลาบริการไฟกว่าจะตกอ่างสนาดิที่หนึ่งถึหลายร้อยหนอเพราะฉะนั้นอันเนี้ย จะเป็นการรักษาสติให้ให้จิตนี้ลกล่องหลงลืมอันนั้นเป็นจุดประสงค์แต่จุตประสงค์ของเคาคือผู้รู้นั้นเรานึกเปียงคําเดียวเท่านั้นถ้าคำเดียวนี้จะเกิดฝังอยู่ในใจเมื่อฝังแล้นี้ก็จะเข้าเสวถ่ายทุกติดและและในใจก็เราก็จะเป็นหทางที่จะใช้สิทธิหลังอำนาจในการกันตรงนี้ อืออยู่นั่นได้แล้วครับอ่าขออีกเป็นนลินพุทธการุจิตเตชภาขอโทษครับา่อจ่ายครับเมื่อกี้พ่อจ่ายข้ามเบอร์หกหกสองไปนะอ่าคทณพงานเขไปอยู่ไหนวขาไ ม, ไม่รู้ขอเขาอยากเอ่อเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวขอเรียกํามกดยืหนหมาหกหกสอง เลยครเเัเอาจรย์นาพลไทยจิตโลธินใช่ไหมใช่ออขอบคุณน่นาะการคอาจารย์ในวันหนึ่งถ้าเราสึกสมาธิขั้น้นานหลายชั้นการเป็นต้องถามว่าใครคือผู้รู้ทุกขนหรือไม่อีกข้อไหนไหครับเอ่อผมได้สึกการบริหารที่หนึ่งครที่มีการเคลื่วยไหวช้าๆพร้อมด้วยสมาธิและกหนดจิตตามการเคืนไหวไ ของทุกอริยาบทพร้องด้วยการหายใจเข้าออกการฝึกเร่งนี้มีผลดีผลเสียต่อการสึกสมาธิอย่างไรและสามารถฝึกไปพร้อมกันได้หรือไม่อรัการที่เราฝึกกายภาพอะไรเนี่ยการฝึกเนี่ยก็เป็นสมาธิอยู่แล้วมไม่มีอะไรขัดกันทำได้ตามความประสงค์แต่ว่าในขณะนั้นเราก็ไม่ต้องถามว่าใครเื็ผู้รู้ การถามใครคือผู้รู้เนี่ยต้องมีหลักมีเกณฑว่าเราจะนั่งสมาธิต่อไปนี้อย่างจริงจังแล้วเราถึงจะใช้คําถามอันนี้เพื่อที่จะให้คําถามอันนี้มีความสัตย์จริงอ่าก็เป็นอนรว่าถ้าอย่างนั้นหลวงพ่อก็ขอตอบอะไรอะไรไว้ส่อนิดหนึ่งในความสุดท้ายของวันนี้ว่าสามอย่างที่อถูกกําหนด อมันไม่มีอยู่ในหนังสือแต่มันมีอยู่ในชิตของหลวงพ่อเนี่ยจําเป็นต้องไป อ, อัดมาให้กันนะเมื่อเวลาเวลาจิตสงบถูกกําหนดว่าจิตรวมเวลาเริ่มต้นบริกรรมถูกกําหนดว่าเริ่มต้นสมาธิเวลาถามถึงผู้รู้ถูกกําหนดว่าเป็นแนวทางสู่จุดพลังอำนาจ อัอย่างนี้ขอให้จบได้ทุกคนกันแกันดีกว่าเวลาจิตสงบถูกกําหนดว่าจิตรวมเวลาเริ่มต้นบริกรรมถูกกําหนดว่าเริ่มต้นสมาธิเวลาเริ่มต้นบริกรรมถูกกําหนดว่าเริ่มต้นสมาธิเวลา ถามถึงผู้รู้เวลาถามถึงผู้รู้ถูกกำหนดว่าเป็นแนวทางเป็นแนวทางไปสู่จุดพลังอำนาจไปสู่จุดพลังอำนาจทั้งสามอย่างนี้ก็ให้เปียนตามคำบอกไปตลอดทางแต่ก็สบายเพราะอธิบายจะมากๆ ม, มันก็มีอยู่ ยอดอยามข้อนี่ยปรานีุ้ท้าก็จบแล้วเด็เ